ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนว่าเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสตินั่นเองทรงเปรียบเทียบสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างส่วนธรรมอย่างอื่นทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ต่างๆที่เล็กกว่ารอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ฉันใดสติความสำคัญของสติก็เหนือกว่าความสำคัญของธรรมทั้งหลายเพราะธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีสติถึงจะเกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสติทำต่างๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญสมาธิก็ดีการเจริญปัญญาก็ดีการบรรลุผลคือทำขั้นต่างๆก็ดีจำเป็นจะต้อง มีสติถึงจะเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายยงอย่าลืมความสำคัญของสติไปเป็นอนขาดก่อนที่จะเจริญทมอย่างอื่นสิ่งแรกควรจะเจริญก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วทมต่างๆ ย่มเกิดขึ้นมาไม่ได้ลักษณะของผู้ไม่มีสตินี้เป็นอย่างไรก็คือคนที่เสียสติที่เราเรียกว่าคนบ้านี่ก็ไม่มีสติไม่สามารถสร้างทำอย่างอื่นให้เกิดขึ้นมาได้ไม่สามารถทําบุญทําทานไม่สามารถรักษาศีล ไม่สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้คนเสียสติอีกชนิดหนึ่งก็คือคนเดื่มสุรายาเมาจนขาดสติก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้และถ้าทำก็จะทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายต่อผู้อื่น จนถึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับห้ามขับขี่ยานยนต์ถ้าเหลื่อดื่มสุรายาเมาเพราะเมื่อเดืมเด่มสุราแล้วก็จะไม่มีสติประครับประคองการกระทำต่างๆเช่นการขับยานยนต์ก็มักจะไปเกิดอุบัติเหตุต่างๆดังนั้น อยากจะทำอะไรต้องมีสติถึงจะทำได้ที่ปฏิบัติทำกันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าไม่มีสติกันจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้จะพิจารณาปัญญาก็พิจารณาไม่ได้เพราะไม่มีสติเป็นผู้ทำให้ใจ มีความสงบการเจริญปัญญาถ้าใจไม่สงบนี้จะเจริญไม่ได้เพราะจะมีกิเลสตัณหาออกมาต่อต้านจะไม่สามารถเจริญปัญญาเช่นใจรักได้ไม่สามารถพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่สามารถพิจารณาการพัดภากจากกันได้เพราะเป็นสิ่งที่กิเลสตัณหาจะไม่ชอบให้พิจารณานั่นเองจะให้ชอบพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญต่างๆจเจริญในลาบยศสรรเสริญจเจริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ความเจริญนี้มันเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมันยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าพิจารณาแต่ส่วนที่เจริญเวลาที่ไปพบกับส่วนที่เสื่อมส่วนที่ไม่เจริญก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาให้กับใจได้ใจจะไม่สามารถพบกับสภาพของความเสื่อม ของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกนื่นกายได้ใจก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาและอาจจะเป็นเหตุให้ไปกระทำสิ่งต่างๆที่เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองได้เช่นเวลาสูญเสียบุคคลที่เรารักไป ก็อาจจะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองบุคคลที่มาทำให้เราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารับไปเช่นมาแย่งสามีมาแย่งภรรยาของเราไปเราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกิดความเสียอกเสียใจถึงกับจะต้องไปฆ่าผู้อื่นได้ฆ่าคนที่มาแย่งสามี ภรรยาหรือข่าสามีภรรยาแล้วก็มาฆ่าตัวเองเพื่อจะได้หนีจากการต้องการต้องไปรับโทษที่เกิดจากการฆ่าผู้อื่นนีเนเนเน่เป็นผลเพราะว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆได้นั่นเอง ถ้าพิจารณาได้ก็จะมีอะไรคอยเตือนใจให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆพอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะรู้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะ ต, ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งจะต้องพัดพรากจากของรัก ของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าได้พิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกความจริงอันนี้ก็จะอยู่คู่กับใจจะทำให้ใจไม่หลงลืมจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไป แต่ที่ไม่สามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกก็เพราะว่าใจไม่มีความสงบใจที่ไม่มีความสงบนี้แสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงจะ ปิดกัน้นการเจริญความจริงอันนี้จะไม่อยากจะให้พิจารณาจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีมาคอยขัดขวางสร้างอารมณ์หดหู่ท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาทำให้ไม่อยากจะพิจารณาความจริงไม่อยากจะมองความจริงไม่อยากจะเห็นความจริงเพราะเห็นความจริงแล้วทาให ไม่สบายใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปในโลกนี้แต่ถ้าสามารถทำใจให้สงบได้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้จะถูกตัดกำลังลงไปจะถูกกดไว้ไม่ให้ออกมาสร้างการต่อต้าน การพิจารณาทางธรรมก็ะจะสามารถพิจารณาความจริงต่างๆได้ความพิจารณาความจริงนี่แหละเรียกว่าปัญญาเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงของเขาไม่ใช่ตามความอยากของเราความจริงของเขาก็คือเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่มีความแท่เที่ยงแทแ่นน่่่่่่่่่่่่ ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ไม่สามารถสั่งให้ไม่ให้เสื่อมได้ไม่สามารถสั่งให้ไม่ให้พัดพากจากเราไปได้ ถึงเวลาเขาจะเสื่อมถึงเวลาเขาจะพลาดพลาดจากเราไปเขาก็จะไปอย่างตามเรื่องของเขาห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศหรือแสงสว่างหรือความมืดเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยของพวกเราที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นเราไม่สามารถสั่ง ให้มีแต่กลางวันไปตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่งก็ต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนเครื่องหนึ่งก็เป็นกลางวันเครื่องหนึ่งก็เป็นกลางคืนแต่เราก็ไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพราะเรารู้ว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เราจึงเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงของเขา เวลาเขามืดเราก็รับได้เวลาเขาแจ้งเราก็รับได้แต่ทำไมเราถึงรับกับเรื่องของการเสื่อมของสิ่งที่เรารักเราชอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเราสามารถที่จะสั่งเขาได้ห้ามเขาได้ควบคุมบังคับเขาได้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ พอเราไม่สามารถที่จะทำได้เราก็เกิดความเสียอกเสียใจเกิดอารมณ์บ้าคลั่งขึ้นมาได้ทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่เสียหายทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเรานี่เป็นเพราะว่าไม่มีสติที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้คิดฟุง้งซาน ไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบได้นั่นเองถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เช่นอยู่กับการบริกรรมพุทธโธพุทธโธแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวให้มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดิน กำลังยืนก็ให้อยู่กับการยืนกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้อยู่กับการนั่งการนอนกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาก็ให้อยู่กับการหันหน้าการกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารเช่นกำลังตักอาหารเข้าปากก็ให้อยู่กับการตักอาหารเข้าปากกำลังเคี้ยวอาหารก็ให้อยู่กับการเคี้ยวอาหาร กำลังกลืนก็ให้อยู่กับการกลืนอาหารไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ทํากิจกรรมทางร่างกายอย่างนี้เรียกว่ามีสติใจจดจอ่ออยู่เรื่องเดียวอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าไม่สามารถที่จะดึงใจให้จดจ่ออยู่ได้ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธ เป็นสติอีกเส้นหนึ่งเป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่จะคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดปรงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆทำอะไรไปก็พุโทโธพุโทโธไปควบคู่กันไปมีสติอยู่กับการกระทาแล้วก็มีการบริกรรมกรรมกลับไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฝึกทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือปากปากทางเข้าของความสงบนั่นเองใจจะเข้าสู่ความสงบได้จะต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าใจไปคิดเรื่องในอดีตคิดเรื่องอนาคตใจก็จะออกจากปัจจุบันไปใจก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบได้ จึงต้องมีการเจริญเจริญสติอย่างต่อเนื่องถึงจะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ในขณะที่นั่งสมาธินั่งหลับตาเพื่อปิดทวารทั้งห้าไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่จะมาเข้ามารบกวนการเจริญสตินั่นเอง ปิทวารไม่ดูไม่เห็นภาพเสียงได้ยินก็ไม่สนใจให้สนใจอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้าใจจดจ่ออ ย, อยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ต้องควบคุมบังคับเพราะใจไม่มีการกระทำอะไรไม่มีการคิดไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆใจตอนนั้นเป็นอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ทำให้ สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆความโลภต่างๆได้เพราะเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารของใจนั่นเองเวลาใจอิ่มแล้วใจก็จะไม่มีความโลภความอยากเวลาไม่มีความโลภความอยากก็จะมีแต่ความอิ่มความพอมีแต่ความสุขและถ้าใจมีความสุข เวลาออกมาพิจารณาทางปัญญาก็จะสามารถตัดหรือปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจหลงไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับใจได้อย่างถาวร ให้ได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาแล้วก็จางหายไปก็ต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้นจะไม่อยู่คู่กับใจไปเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่ใจสามารถรักษาให้อยู่กับใจไปได้ตลอด ถ้าได้ความสุขได้ความสุขจากความสงบของสมาธิแล้วใจก็จะมีกำลังที่จะออกพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปมีความเกี่ยวข้องที่ไปหลงไปยึดไปติดไปพึ่งพาอาศัยให้ความสุขเพราะจะสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สามารถพิจารณา ความที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไปห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อพอเห็นความจริงแล้วก็จะได้ไม่ฝืนความจริงเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าพิจารณาร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดถ้าพิจารณารู้ความจริงของร่างกายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ฝืนความจริงไม่ต่อต้านความจริงไม่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่น คือไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นั่นเองถ้าเกิดความอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายก็จะเกิดความเครียดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจความเครียดความทุกข์นี้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายแต่อย่างใด ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเช่นเช่นเดิมต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่รู้ความจริงกับผู้ที่ไม่รู้ความจริงนั้นมีความสุขมีความทุกข์เท่านั้นเองผู้ที่รู้ความจริงไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่ให้ไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายผู้ที่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ผลก็เหมือนกันตายเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแก่เหมือนกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญปัญญาที่สามารถจะเจริญได้ ถ้าใจมีความสงบเพราะใจสงบก็จะไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามาต่อต้านการเจริญปัญญานี้เองดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงจําเป็นต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะถ้าข้ามขั้นข้ามตอนแล้วก็จะไม่สามารถทําให้เกิดผลต่างๆที่ต้องการขึ้นมาได้นั่นเอง ถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้าอยากจะมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนดังนั้นการปฏิบัติขั้นแรกของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสตินี่องต้องเจริญสติตลอดเวลาไม่ให้พังไม่ให้เผลอเพราะเวลาใดที่พังเผลอไม่มีสติ เวลานั้นใจก็จะปรุงแต่งการปรุงแต่งของใจนี้ก็จะทำให้การทำให้ใจสงบนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามหยุดความคิดปรุงแต่งให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องพอมีเวลาว่างจากการทำภารกิจต่างๆไม่จาเป็นจะต้องทาอะไร ก็หาที่นั่งที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยรบกวนใจมาคอยรบกวนการเจริญสติพอได้ที่นั่งที่สงบสงัดก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคำาบริกรมพุทโธพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ บางท่านก็จะผสมกันก็ได้ถ้าเป็นถ้าทาแล้วได้ผลถ้าถูกเจริตเช่นบางท่านบอกว่าต้องหาเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทธเวลาหายใจออกก็ว่าโทหรือบางท่านก็ว่าหายใจเข้าก็พุทธโทหายใจออกก็พุทธโทบางท่านก็ขอใช้พุทธโทอย่างเดียวจะสบายกว่า ไม่ต้องมากังวลกับลมหายใจเข้าออกเพราะบางเวลาจิตฟุ้งมากถ้าพุทธเข้าโทรออกนี้จะมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามามากก็จะใช้คาบริกรรมที่ถี่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความคิดต่างๆแทรกเข้ามาอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องพิจารณาเอาดูความเหมาะสมของสภาวะจิตใจ ที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาก็ฟุ้งมากบางเวลาก็ฟุ้งน้อยบางเวลาก็ไม่ฟุ้งเลยเวลานั่งสมาธิจึงใช้วิธีการภาวนาวิธีเจริญสติที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับการขับรถยนต์รถยนต์นี้ก็อยู่ในสภาพหลายสภาพ ถ้าจอดนิ่งอยู่จะออกรถก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งแต่ถ้ารถกำลังวิ่งอยู่ก็ไม่ต้องใช้เกียร์หนึ่งก็ได้ใช้เกียร์สองหรือเกียร์สาแล้วแต่ความเร็วของรถยนต์ฉันใดการใช้การจัรัเสติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจว่าจิตใจนั้นมีความสงบมากสงบน้อย มีความฟุ้งมากความฟุ้งน้อยถ้าใช้การดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ใช้การบริกรรมพุทธโธไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์สวดคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสวดพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งถ้าจำได้จะเป็นภาษาบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ สวดไปท่องไปเพื่อที่จะคลายความฟุ้งซ่านเพราะถ้าจะให้บริกรรมพุทโธเพียงคำเดียวนี้จะไม่สามารถทำได้ mm. ก็ต้องลองใช้การสวดหรือท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าบางท่านชำนาญในการสวดมนต์ก็สวดไปเช่นสวดอาลังสัมมาสว่าขาโตสุปฏิปันโนไป สวดไปแล้วก็ให้ใจอยู่กับบทสวดอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกหายจากความฟุง้งซ่านแล้วก็ค่อยมาบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปถ้าท่อง บทสวดมนต์ไม่ได้บางท่านก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเปิดธรรมะขึ้นมาฟังไปให้ใจมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังพระธรรมคำสอนใจก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็เข้าสู่ความสงบได้ระดับหนึ่งหรือถ้าไม่สามารถใช้การฟังธรรมได้เพราะใจก็ยังคิด มีปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ให้ใช้การใช้ปัญญามาระ ง, งับความฟุ้งซ่านก็ได้อย่างที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือเราต้องพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราว้าวุ่นขุนวัวฟุ้งซ่านพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นใจรัก ว่าเขาเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสือ่อมมีวันดับไปเช่นเรากังวลกับคนนั้นคนนี้ห่วงคนนั้นคนนี้กลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาถึงความตายของเขาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเห็นความตายของเขา เราก็อาจจะปล่อยวางได้หรือถ้าเรากังวลเรื่องของเราเองก็พิจารณาความตายของตัวเราว่าเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปแล้วปัญหาต่างๆที่เรามีมันก็จะหายไปเองถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามบุญตามกรรมอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถือว่ามันเป็นวิบากของเรา เราอาจจะเคยไปทำบาปทำอะไรมาจึงจะต้องมาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาะเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ก็ขอให้คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายถ้าคนเรายอมตายแล้วใจมันก็จะสงบได้มันก็จะโปร่งได้ปล่อยให้เกิดไปอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตาย เมื่อเราไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือห้ามเขาไม่ได้มันเป็นอนิจจงมีเกิดมันก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาแต่เราจะไม่ฟุง้งซ่านเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราปล่อยวางมันถ้าเรายอมรับความจริงของมันอย่าไปพยายามที่จะไปแก้มันไปบังคับมันให้เป็นอย่างอื่นเพราะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ได้ ไปทำได้นั่นเองนี่ก็คือวิธีใช้ปัญญาทำให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบพอหายฟุ้งซ่านหายวุ่นวายใจถ้าใจยังไม่รวมเป็นหนึ่งก็มาดูลมหายใจต่อไปหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วต่อไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขที่จะทำให้เราปล่อยวางความสุขชนิดอื่นได้หมดเพราะความสุขชนิดอื่นนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขอนิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองมีมีเจริญก็เสื่อมได้แวรเจริญความสุขที่ได้กับความเจริญนั้นก็จะหมดไปเวลาเสื่อมลงไป ความสุขที่ได้ก็จะหายไปสิ่งที่จะมาทดแทนที่ก็คือความทุกข์ใจถ้าเราไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเวลาเขาเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขภายในใจอยู่แล้วถ้ายังไม่มีความสุขภายในใจ เราก็ยังต้องออกไปหาความสุขภายนอกอยู่เพราะใจนี้อยู่ปราศจากความสุขไม่ได้เวลาไม่มีความสุขนี้จะรู้สึก ว, าว่าเหว่เศร้าส้อยหงอยเหงาจึางต้องออกไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอความสุขนั้นหายไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจทุกทรมานใจ ไปจนกว่าจะหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนหรือไม่เชนั้นก็ต้องทำใจยอมรับว่าไม่สามารถหาได้ถ้าไม่สามารถหาได้ยอมรับความจริงก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เช่นเวลาเป็นขอทานก็รู้ว่าสถานภาพของตนเองนี้ไม่สามารถหาอะไรมาได้มากก็ต้องทำใจ ยอมรับกับสถานภาพของตนเองไปถ้ายอมรับได้ก็ไม่ค่อยทุกข์ทรมานเท่าไหร่ถ้ารับไม่ได้ก็จะต้องทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆนี่คือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิขึ้นมาให้ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายเมื่อได้ความสุขกันนี้แล้วก็จะสามารถ เลิกแสวงหาความสุขต่างๆภายนอกใจได้เมื่อไม่ต้องไปแสวงหาความสุขต่างๆภายนอกใจก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแสวงหากับการดูแลรักษาหรือเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้แสวงหามาใจก็จะสามารถอยู่ในความสงบไปได้ตลอด จะปล่อยวางจะยุติการแสวงหาได้ก็ต้องเห็นใจรักษ์ในสิ่งต่างๆนั่นเองต้องเห็นสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้ความสุขชั่วคราวแล้วเวลาความสุขนั้นจางไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด นี่คือตายรักษอา น, นิจังไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันเป็นทุกข์เวลามันเสื่อมอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเห็นเขาเป็นตายรักณเราก็จะได้หยุดการไปพึ่งพาอาศัยเขาได้ ถ้าเราเห็นลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเลิกไปแสวงหาเราก็จะเลิกไปพึ่งพาลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาความรู้สึก ทางร่างกายว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปอาศัยร่างกายไม่ไปอาศัยความสุขเวทนาทางร่างกายมาอาศัยความสุขจากความสงบทางใจดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่จะไม่เสื่อมไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีทำที่จะรักษาความสงบนี้ ทำที่รักษาทาความสงบนี้ให้เป็นเป็นความสงบที่ถาวนก็คือสติปัญญานี่เองการเห็นายรักษ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปหลงยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับไปสั่งให้อยู่กับเราได้ตลอด พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ปล่อยไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายของเราหรือของคนอื่นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเวทนาความสุขทางร่างกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความสุขที่เกิดภายในจิตในใจจากอารมณ์ต่างๆ ให้สนใจอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็จะมีความสงบสุขไปตลอดความสงบสุขของใจที่ถาวรนี้เราเรียกว่านิพพานนั่นเองการปฏิบัติทั้งหมดนี้การเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ปล่อยวาง สภาวธรรมทั้งหลายก็เพื่อให้ใจนั้นมีความสงบอย่างถาวรอย่างต่อเนื่องเมื่อเราได้ความสงบนี้แล้วปัญหาต่างๆก็หมดไปเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่มีผลกระทบกับจิตใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีผลกระทบกับจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายจะไม่ทําให้เรารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเวลาเสื่อมไปก็ไม่ทําให้ใจเดือดร้อนแต่อย่างใด พอใจไม่ได้ไปพึ่งเขาแล้วไม่ได้ไปอาศัยเขาแล้วเหมือนบ้านที่เราไม่ได้อยู่แล้วเรามีบ้านหลังใหม่บ้านหลังเก่าจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนหลังคาจะร ụ, ั่วขโมยจะขึ้นบ้านไฟจะไหม้บ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้อศาศัยบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเรามีบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านที่ปลอดภัยกว่าบ้านที่ถาวร บ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่ไม่มีวันพังไม่มีวันเก่านี่แหละคือความสงบของใจนี้เองที่เป็นบ้านของพวกเราที่พวกเรากำลังพยายามมาสร้างกันเราจึงต้องพยายามเจริญสติให้มากเพราะถ้าเราอย่างไม่มีสติเราจะสร้างส่วนอื่นของบ้านขึ้นมาไม่ได้ เหมือนกันกับการก่อสร้างบ้านเรือนสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนก็คือเราต้องเคลียร์พื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านดินที่เราจะสร้างบ้านนั้นถ้ามีมีสิ่งต่างๆเราก็ต้องลื้อมันออกไปก่อนให้เป็นที่ว่างๆแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับดินที่จะรองรับบ้าน ถ้าดินไม่แข็งแรงพอเราก็ต้องตอกเสาเข็มเพื่อทำให้ดินมันแน่นเมื่อดินมันแน่นมันก็จะสามารถรับน้าหนักของอาคารที่เราจะสร้างขึ้นไปได้เราต้องสร้างรากฐานของของตัวอาคารก่อนให้มีความแข็งแรงที่จะสามารถรองรับน้ำหนักของอาคารที่เราจะสร้างขึ้นมาได้ชั้นใดเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพื่อจะได้รองรับสมาธิรองรับปัญญารองรับทำบทำขั้นต่างๆคือมรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งถ้ารากฐานของบ้านไม่แข็งแรงพอสร้างตัวอาคารไะขึ้นมาอาคารก็จะสุดได้จะล้มลงมาได้เพราะดินจะสุดไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ ฉันใดถ้าสติของเราไม่สมบูรณ์เราจะไม่สามารถสร้างสมาธิให้ได้สมบูรณ์และเมื่อสมาธิของเราไม่สมบูรณ์เราก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาให้ได้สมบูรณ์เพื่อตัดความพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆให้ได้อย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องของภาคปฏิบัติ เป็นอย่างนี้ภาคปฏิบัตินี้เริ่มที่สติแต่ก็มีการสนับสนุนด้วยทานและศีลทานก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ไม่ให้เราต้องไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขต่างๆไม่ให้เรามา เพิ่งเงินทางเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเรามีเงินมีทองก็ให้มีไว้เฉพาะสําหรับการดูแลรักษาร่างกายของเราเพื่อที่จะได้นําเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นคือให้มีปัจจัยสี่พอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้มีกับความพอดีของความต้องการของร่างกายให้มีอาหารมี เครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคให้มีเท่านี้ก็พอถ้ามีมากกว่านี้ก็ให้แบ่งปันไปเสียสละไปอยาเก็บเอาไว้ให้แบกเป็นภาระไปเปล่าๆหรือเอามาใช้ในการซื้อความสุขชนิดต่างๆอย่าใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นตามศูนย์การค้าต่างๆเป็นความสุขเดียวๆแล้วก็พอไม่ได้ซื้อก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอซื้อแล้วก็ติดก็ต้องหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าต้องไปหาเงินก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปริกวิเวมา ปฏิบัติธรรมมาเจริญสติดังนั้นต้องหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆให้ซื้อแต่ปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อร่างกายเท่านั้นถ้าใช้เงินเพื่อปัจจัยสี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากก็ไม่ต้องหามากก็จะไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาเงินหาทองก็จะมีเวลามาปรีกวิเวกมา จเจริญสติมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์การภาวนานี้การจเจริญสตินี้จำเป็นจะต้องปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปดูไปฟังไปสัมผัสลรื่งรสดมกลิ่ น, ดด ก, นกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเพราะจะทำให้ใจแตกทำให้ใจฟุ้งซ่าน จึงจำเป็นต้องมีการรักษาศีลแปดสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องสํารวมไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสก็ต้องถือเป็นอพรรมจรรยาคือศีลพรหมจรรย์ไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อที่6กก็ไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุขให้รับประทานอาหาร เพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ก็ให้รับประทานเหมือนรับประทานยามีเวลาแเวลาเชนรับประทานวละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้าสองครั้งก็ไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ตัดนิวรคือความง่วงเหงาเหานอนและรักษาเวลาที่จะต้องสูญเสียไปกับการหากินจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการรับประทานหลายมื้อด้วยกัน ไม่จําเป็นร่างกายรับประทานเพียงมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ไปเสียเวลากับการหาความสุขจากการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆไม่เสียเวลา ก, กับการเสริมความงามของร่างกายไม่ต้องเสียเวลา ก, กับการหลับนอนมากจนเกินไปถ้าหลับนอนบนผู้หนาๆเตียงใหญ่ๆจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกาย เวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็เลยจะนอนต่อก็เลยจะทำให้ไม่มีเวลามาบาเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อวิมุติธรรมขั้นต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้รับจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง ดังนั้นการที่เราจะออกมาปฏิบัติเจริญเจริญสติสมาธิปัญญาได้เราก็ต้องอย่างน้อยต้องรักษาศีลแปดต้องอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามลาพังไม่สังคมไม่คุกคีกับใครเพราะเวลาสังคมกันคุกคีกันก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านคุยกัน คุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ใจก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆพอเวลามาอยู่คนเดียวจะภาวนาจเจริญสติควบคุมหยุดความคิดก็จะจะยากกว่าเวลาที่ไม่ได้ไปสังคมกับใครนี่คือเรื่องของธรรมต่างๆที่จะสนับสนุนในการจเจริญสติพอเรามีธรรมต่างๆคือทานมีศีลมาสนับสนุนการจเจริญสติ การเจริญสติก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็วการนั่งสมาธิก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ไม่ยากเย็นแต่อย่างใดพอจิตรวมแล้วจิตจะมีกําลังเพราะได้ตัดกําลังของกิเลสตัณหาที่จะคอยฉุดรากจิตใจไม่ให้ไปคิดทางปัญญานั่นเองพอออกจากสมาธิมาก็สามารถดึงใจไปคิดเรื่อง อันนี้จังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาเรื่องอสุภะได้พิจารณาเรื่องอาหารในปฏิกูลละสัญญาได้พิจารณาเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้พิจารณาเรื่องอาการสามสิบสองของร่างกายได้พิจารณาเวทนาต่างๆได้ถ้ามีสมาธิมีกําลังแล้วจะสามารถพิจารณาเพราะว่าเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ได้ ก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ก็จะหลุดพน้นใจหลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็จะเข้าสู่ความสงบที่เป็นธรรมชาติของใจเหตุที่ใจของเราไม่สงบกันก็เพราะมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ก็เลยทำให้ใจเราวุ่นใจของเราปั่นป่วนขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยาก กับสิ่งต่างๆแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่มีความวุ่นวายใจจะสงบนิ่งเย็นสบายไปตลอดนะตัวที่ทําให้เราต้องทุกข์วุ่นวายใจก็คือความอยากนี่เองและตัวที่สร้างความอยากก็คือตัวความหลงนี่เองหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรศรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายนี้เป็นความสุขนั่นเองถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ก็จะเห็นว่าเขาเป็นไตายรักเขาเป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถที่ไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้นั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะแก้ความหลงได้พอแก้ความหลงได้ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบเป็นปกติไม่ต้องปฏิบัติรำก็ได้ถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะใจสงบอยู่แล้วที่เราต้องดึงใจเข้าสมาธิกันเพราะว่ามันไม่สงบอยู่ข้างนอกมันไม่สงบเลยต้องเดินเข้าไปข้างในก่อนแต่ต่อมาถ้าเราออกมาแล้วเราสามารถที่จะกาจัดตันหาความอยากต่างๆได้ด้วยการเจริญปัญญาเพื่อที่จะแก้ความหลงได้เราไปไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจของเราก็จะสงบตลอดเวลานี่ะคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ท่านเป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องเข้าสมาธิท่านไม่ต้องพิจารณาปัญญาไม่ต้องพิจารณาตายรักเพ ร, เพราะว่าท่านได้ทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วคือมันได้ทำหน้าที่กำจัดความอยากต่างๆ แก้ความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดไปแล้วใจก็เลยกลับสู่สภาพปกติคือความสงบนี้เองเหมือนกับคนไข้ที่ได้รับการรักษาเยียวยาจากยาจากหมอถ้ามียาเข้าไปทำลายเหตุคือเชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายไม่สบายได้พอเหตุด่านั้นคือเชื้อโรคต่างๆถูกทำลายไปหมดแล้ว ร่างกายก็กลับอยู่เป็นปกติสุขไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาอีกต่อไปฉันใดการปฏิบัติธรรมตั้งแต่สติจนถึงสมาธิปัญญานี้ก็เป็นการรับประทานยานี้เองพอเอายานี้เข้าไปในใจแล้วแล้วเอาไปทำลายเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะหายเป็นปกติใจก็จะสงบตลอดเวลาเมื่อสงบตลอดเวลาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำอีกต่อไปท่านถึงเรียกว่าวุสิตังบ ร, รมจารียังภารกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สําเร็จรุ่งแล้วไม่มีเกตอันอื่นที่จะต้องทําอีกแล้วจบแล้วงานการรักษาใจนี้ ได้สิ้นสุดลงแล้วใจได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วคือมีปรมังสุขขังอยู่ภายในใจตลอดเวลาแล้วนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเจริญสติให้ความสัมติให้ความสําคัญกับสติด้วยการเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้แล้วผลจะไม่ปรากฏขึ้นมาผลจะเป็นแบบล้มลุกคุกคาน ขึ้นมาได้นิดแล้วก็หายไปมันจะไม่ต่อเนื่องถ้าการจเจริญสติไม่ต่อเนื่องการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้แล้วไม่ปล่อยต้นไม้ให้อยู่ในที่นั้นที่เราปลูกปลูกได้สมวันห้าวันก็ย้ายที่ไปปลูกที่อื่นหรือไม่ปลูกย้ายขึ้นมาอย่างนั้นโยกขึ้นดึงมันขึ้นมาแล้วอีกสี่ห้าวันค่อยเอาไปลงดินใหม่ ถ้าอย่างนี้ต้นไม้ก็จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ฉันใดมรรคผลนิพพานก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าการปฏิบัติของเรานี้เป็นใบแบบรุ่มนุ่ ม, ม ด, ดอนดอนต้องเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการเลี้ยงร่างกายของเรานี้มีการให้อาหารอย่างต่อเนื่องวันละสามเวลามีการหายใจทุกลมหายใจเข้าออก มีการดื่มน้ำดื่มถ้าเวลาร่างกาย ร, รู้สึกขาดน้ำมีการบำรุงอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายจึงจเจริญเติบโตจากทารกขึ้นมาจนกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องร่างกายนี้จะโตขึ้นมาได้อย่างไรดูร่างกายของคนที่เขาอยู่ในดินแดนที่อดอยากขาดแคลนเช่นในทวีปแอฟริกา ที่ไม่ค่อยมีอาหารไม่ค่อยมีน้ำดูร่างกายของคนมันก็จะเป็นแบบนั้นอันใดการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่มีสติคอยหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะสร้างให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมามรรคผลนิพพานข่านต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ ของชาวพุทธเราเพราะปฏิบัติกันไ ม, ไม่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะยังลักยังหวงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังลักยังหวงราบยศสรรเสริญอยู่นั่นเองจึงไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผลจึงไม่ปรากฏขึ้นมาตามที่อยากจะได้กัน ดังนั้นถ้าอยากจะได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าต้องสละลาภยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่ตามที่สงบสงัดในปานใ่าในเขาเพื่อจะได้เจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่นานของพระพุทธเจ้าก็หกปีก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานภาษาวกบางคนก็ไม่กี่ปีได้ อย่างที่พระเจ้าทรงได้พยากรณ์ไว้ว่าถ้าใครปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้นี้บางคนก็เจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณากันถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานกันเพราะมรรคผลนิพพานนี้เกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เองไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลย ถึงแม้เราจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติความศรัทธาเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เกิดมรรคผลี่ผ่านขึ้นมาจึงขอฝากเรื่องของการเรื่องของความสำคัญของสตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาบปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจิตตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณีโจติอะระโสยทาสภีติโยวิวัชฉันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิธานิจจังวุทธาปจายิโน จะตาโรธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะที่มีท่านถามมาทางบ้านนะที่อยากจะถามที่ศาลานี้ก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ ถ้ายังไม่มีใครจะถามก็จะให้ถามผ่านทางบ้านมาก่อนต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากคุณกนกพรภัยสารอัศวเสนีข้อแรกจิตที่เป็นโทสะจะต้องเกิดจิตที่เป็นราคะมาก่อนแสดงว่าคนที่มีราคะจะยังไม่เกิดโทสะ แต่คนที่มีราคาจะเกิดโทสะได้ง่ายอิฉันเข้าใจว่าจิตที่มีราคาและโทสะต้องมีโมหานำมาก่อนเสมอจิตที่มีราคาอาจจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็ได้จิตที่มีโทสะต้องมีราคาและโทสะเสมอใช่ไหมคะเคยราคานี่มันเกิดจากโมหะความหลง เรนมองไม่เห็นอสุภะเรียกว่าความหลงถ้าเห็นอสุภะในร่างกายของคนที่เราเกิดราคะด้วยมันก็จะดับราคะลงไปนันความโลภ ก, ก็ดีความอยากก็ดีเกิดจากความหลงคือมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ น่าดูไม่น่าชมในสิ่งที่เราคิดว่าน่าดูหน้าชมนั่นเองอแล้วความโทสะก็เกิดจากการที่ไม่ได้ดังใจอยากอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากได้เขามาเป็นแฟนเขาไม่ยอมเป็นแฟนก็จะเกิดความกรดขึ้นมาได้อยากได้เขามาเป็นแฟนเพราะมองเห็นว่าเขาสวยเขางามน่าดูหน้าชม พาอไม่เห็นส่วนที่ไม่เดไม่น่าดูไม่น่าชมของเขานั่นเองถ้ามีปัญญาเห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกายได้ก็จะไม่เกิดราคะความอยากได้เขามาเป็นแฟนได้มาเป็นคู่ครองอเมื่อไม่มีความอยากได้เขามาเป็นแฟนเป็นคู่ครองก็จะไม่เกิดโทสะเวลาที่ไม่ได้ ข้อที่สองทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าการทำปาณาติบาตนั้นเป็นทุกข์ดิฉันลองพิจารณาดูการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นทุก เพราะเมื่อเขาตายครอบครัวเขาก็เสียใจอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บแก่เราหาหนทางแก้แค้นเราส่วนเราก็หวาดระแวงหวาดกลัวและจิตก็ไม่หนักแน่นมั่นคงมีแต่ความหวั่นไหวไม่อาจเกิดสมาธิได้ไม่ทำให้เราเป็นสุขได้ดิฉันพิจารณาถูกต้องไหมคะถูกแล้วข้อที่สา แต่ดิฉันก็ยังไม่รู้สึกว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นทุกข์จนถึงขั้นหยุดฆ่าได้ยังสนุกกับการฆ่าหาวิหาวิธีฆ่าแบบใหม่ๆตลอดเวลายังไม่รู้สึกกลัวถึงชีวิตในชาติถัดไปอยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมจนกระทั่งรู้ทุกในการทําปาณาติบาศค่ะก็ลองไปอยู่กับเสือกับช้างกับสัตว์ไลในป่าดูบ้างลองไปดูว่า ททุกทุกกคำถามต่อไปจากคุณก้อยซุมิดิฉันมีเนื้องอกก้อนใหญ่ในท้องหากมีการดมยาสลบแล้วผ่าตาดัดถ้าไม่ฟื้นกลับมาตายโดยไม่มีสติไม่มีสมาธิจะลงอบายภูมิไหมคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรดีคะคือเวลาตายนี่มันก็จะเป็นไปตาม ฐ า, านะฐานะของจิตในตอนนั้นจิตมีฐานะอะไรก็จะเป็นไปตามฐานะถ้าจิตมีฐานะของเดรัจฉานของเปรตมันก็ต้องไปเป็นเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานถ้าจิตมีฐานะของเทพของพรหมก็จะไปเป็นพรหมถ้ามีฐานะของมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ฐ า, านะต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศล หรือการกระทำบาปต่างๆนั่นเองถ้าฐานะของอบายก็เกิดจากการทำบาป5ข้อด้วยกันคือรักทรัพย์ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพชรายาเมาส่วนฐานะของเทพของพรหมของมนุษย์ก็อยู่ที่การรักษาศีลถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะเป็นมนุษย์ได้ต่อไปถ้ารักษาศีลห้า ควบกับการทำบุญทำทานก็จะเป็นเทพถ้านั่งสมาธิได้ก็จะเป็นพรหมถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาได้ก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเวลาตายไม่ว่าจะตายในรูปแบบไหนในลักษณะใดก็ไม่มาเปลี่ยนแปลงฐานะของจิตที่เป็นอยู่ในตอนนั้น คำถามต่อไปจากคุณแขกช่วงนี้เด็กปิดเทิมทำให้ดิฉันอยากมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนานๆแต่มีภาระหนี้สินมากพอสมควรจะหยุดขายของก่อนหรือว่าจะอยู่วัดแค่ระยะสั้นๆจะทำยังไงดีคะก็ต้องพยายามปลดเปลื้องภาระคือหนี้สินให้หมดไปก่อน เพราะว่าถ้ายัางมีภาระนี้เวลามาปฏิบัติธรรมมันก็จะมีความกังวลใจจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายใจจะเป็นนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลดังนั้นเรามีภาระอะไรเราต้องอแก้หรือตัดภาระเหล่านั้นให้หมดไปจากใจให้ได้ก่อน คำถามต่อไปจากคุณแฟนไม่มีให้ฟุ้งฟิ้งอะไรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิครับก็คือการจดจันสตินี่เองการมีการเล็ดเล็ดรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ส่งใจให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ก็ต้องมีการนั่งอยู่เฉยๆด้วยถ้าเดินหรือทำอะไรนี้จะสงบยากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆ พเวลาเดินหรือทำอะไรในี้ใจยังต้องทำงานอยู่ยังต้องควบคุมการทำงานของร่างกายต้องสั่งให้ร่างกายทำทำการเคลื่อนไหวต่างๆถ้านั่งเฉยๆใจก็ไม่ต้องทำงานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ที่ง่ายกว่าคำถามต่อไปจากคุณืไทยการมักผลนิพพานต่างกันยังไงคะมักเป็นเหตุผลก็คือ เป็นเป็นผลคือเหมือนกับมร ก, ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ก่อนที่เราจะได้ผลละไม้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนพอปลูกต้นไม้พอต้นไม้โตขึ้นมาต้นไม้ก็ออกดอกออกผลมร ก, ก็คือการปฏิบัติธรรมต่างๆเช่นการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเหล่านี้เรียกว่ามรพอมร ได้ทำงานอย่างเต็มที่ได้เจริญเติบโ ต, ตอย่างเต็มที่ผลก็จะปรากฏขึ้นมานิพพานด้วยค่ะนิพพานก็เป็นผลสุดท้ายของการของการปฏิบัติธรรมคำถามต่อไปจากคุณัยจิตการสอนหนังสือแล้วด่าว่าหรือบางทีลงโทษ ด, ด้วยการตีนักเรียนจะเป็นบาปไหมครับเหตุผลที่ทำเพื่อหวังให้ลูกศิษย์ อ่านออกเขียนได้และเป็นคนดีโดยไม่มีเจตนาอื่นใดที่เป็นอคติก็ต้องดูว่าการลงโทษนั้นมันเหมาะสมกับโทษที่เขาทําหรือไม่ถ้าการลงโทษนี่มันเกินกว่าโทษที่เขามีอยู่ก็ไม่เหมาะสมเช่นจำเป็นจะต้องทุบตีเขาด้วยหรือเปล่าเพราะเขาไม่ทําการบ้านเขาไม่ ไม่อ่านหนังสือหรือเขาสอบได้คะแนนไม่ดีมันก็ต้องดูโทษว่ามันเหมาะสมลึกต่อการกระทําของเขาหรือไม่การกระทําลงโทษนี้ก็ต้องมีสติและมีความเมตตามีเหตุมีผลคือต้องคํานึงถึงการลงโทษนี้เพื่อเป็นการห้ามปรามเพื่อเป็นการสั่งสอน ให้เขาเกิดความเค็ดหลาบขึ้นมาถ้าลงโทษจนกระทั่งทำให้เขาโกรธแค้นกรเครืองไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะเรียนหนังสืออย่างนี้มันก็จะเกินกว่าเหตุไปแทนที่จะได้ผลดังที่ต้องการก็อาจจะได้โทษตามมาก็ได้ดังนั้นในการลงโทษนี้จึงต้องรู้จัก ความหนักเบาของการลงโทษว่าให้เหมาะกับโทษของผู้ที่กระทำนั้นแล้วทําให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาคือให้เกิดความเข็ดลาบหรือทําให้เขาเกิดมีความขยันมีความตั้งใจที่จะทําความดีต่อไปคําถามต่อไปจากคุณชิดการถือศีลอดมีประโยชน์อย่างไรคะการอดอาหารนี้ก็เป็นอุบาย เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการการทความเพียรเพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดอาหารจะมีความทุกข์ทางร่างกายและทุกข์ทางใจผู้ที่ปฏิบัติทำก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติทำใจให้สงบเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่เกิดจากการอดกการขาดการอดอาหารคือความทุกข์ทางใจใจจะคิดถึงอาหารอยากอาหาร พอ เ, เกิดความอยากอาหารก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจ <c oughs> ให้สงบได้ความอยากนั้นก็จะหายไปความทุกข์นั้นก็จะหายไปความอิ่มใจก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบใจความสุขใจที่ <c oughs> ถ้าปกติถ้าไม่ได้อดอาหารก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาทางใจด้วยกันนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิก็อาจจะนั่งไปแบบพอหอมปากหอมคอได้ผลก็ดีไม่ได้ผลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจไม่มีความทุกข์กับความอยากอาหารแต่ถ้ามันโอดอาหารนี่มันจะมีความทุกจากความความอยากอาหารและจะหายทุกข์ได้ก็ต้องทำใจให้สงบเท่านั้นการปฏิบัติการนั่งสมาธิจึงต้องทำอย่างจริงจริงจังๆเพื่อให้ได้ผล พราจะได้บรรเทาความทุกข์ใจลงไปได้เมื่อสามารถเมื่อสามารถทำได้ต่อไปการทำใจให้สงบก็จะง่ายต่อไปไม่ต้องอดอาหารก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วตอนนี้เรายังทำไม่ได้เราเลยต้องอาศัยอุบายของการอดอาหารเป็นตัวกระตุ้นความเพียรของเรา พราะถ้าเรากินอิ่มน้ำสําราญเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธิผลก็คือร่างกายก็จะอิ่มหนีพีมันใจก็จะผอมแห้งแรงน้อยดงนั้นบางทีต้องยามอดทางร่างกายให้ร่างกายมันผอมแห้งแรงน้อยเพื่อให้ใจอิ่มหนีพีมันบ้างคําถามต่อไปจากคุณนพ ข้อที่หนึ่งเมื่อใจสงบแต่ไม่นานแล้วถอนออกมาพอเห็นว่าใจมันไม่สงบคิดปรุงแต่งเรื่อยๆจึงหันมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโดยอนุโลมและปฏิโลมและยังมีเผลอหลับแต่ก็ทำต่อไปจนครบเวลาที่กำหนดผมควรทำแบบนี้ไหมครับไม่ควรเผลอให้หลับนะ ควจะถ้าหลับก็จะหลับก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินก็ได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ยังสามารถที่จะพิจารณาธรรมได้ต่อไปพิจารณาการสามสิองทั้งอนิโรมปฏิโลมไปได้เพราะถ้าปล่อยให้หลับมันก็เท่ากับเสียเวลาไปตอนหลับนี้ก็ถือว่าไม่ไม่มีการปฏิบัติเมื่อไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมา ถ้าไม่อยากจะให้เสียเวลาถ้ามองเวลาว่าเป็นเหมือนกับเพชรนินจินดาไม่ควรที่จะให้หายไปเราก็ต้องพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่าปล่อยให้หมดไปกับการหลับการนอนมากจนเกินไปถ้านั่งภาวนาแล้วหลับก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินถ้าหลับบ่อยๆก็ควรจะใช้มาตรการการผ่อนอาหารอดอาหารบ้าง หรือไม่ฉะนนั้นก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวน่ากลัวเพราะเวลาอยู่ที่น่ากลัวแล้วความว่วงหา่วงนอนนี้มันจะไม่มีเพราะใจมันจะมีแต่ความหวาดภาวะอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ผลจึงจำเป็นจะต้องผ่านความทุกข์ทรมานบ้างถึงจะเกิดผลถ้าจะปฏิบัติอยู่แบบสุขอย่างสบายนี้ผลมักจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ ข้อที่สองนิวร์คืออะไรครับในการทำสมาธิเราควรระมัดระวังและตรวจสอบนิวร์ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยไหมครับนิวรณก็คืออุปสรรคขวางกาั้นการทำใจให้สงบนั่นเองเหมือนกับเวลาเราขับรถไปถ้ามีรถติดนี่ก็ถือว่าเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้รถติดหรือสะพานขาด หรือถนนเสียอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่านิวรณ์การปฏิบัติทําใจให้สงบก็มีเหตุที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นความสงบอยู่5เหตุด้วยกันคือ 1. ความ ว, วิจิกิจฉาเรียกว่าความลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่ถ้าเราลังเลยสงสัยเราก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเท่าที่ควร เราก็ต้องแก้ด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอนศึกษาวิธีปฏิบัติของผู้ที่ได้ผลมาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ได้ผลมาแล้วรับรองยืนยันว่าได้ผลแน่แน่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะได้หายจากการลังเลสงสัยได้อันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คื อ, อความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านก็คือปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่าง หรือใจผูกพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งใช้การบริกรมรมจัดการสติดึงใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความพุ่งสร้างก็จะหายไปได้ถ้าไม่หายก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์เรื่องราวที่เราไปเกี่ยวพันด้วยมองให้เห็นว่าเป็นตายรักษณ็มองให้เขาเห็นว่าเขาเป็นตายรักหรือมองให้เห็นว่าเราเป็นตายรักก็ได้ ถ้าเห็นเป็นตายรักว่าในที่สุดก็ต้องจบก็จะทำให้ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ใจก็จะหายจากความฟุ้งซ่านได้ก็อีกข้อหนึ่งก็คือความง่วงเหงาวหงานอนก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปเวลาหนังท้องตึงหนังตาย่อนอถ้าอยากจะให้หนังตาตึงหนังท้องหย่อนก็ต้องอยากกินอาหาร อันนี้ก็ต้องลดอาหารลงเวลาไม่รับประทานอาหารแล้วมันก็จะหิวมันก็จะไม่ง่วงมันก็จะบังคับให้เราเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบอีกข้อหนึ่งก็คือความโกรธความไม่พอใจบางทีเราปฏิบัติทําไปใครมาทําอะไรมาลบกวนใจเราหน่อยเราก็โกรธขึ้นมาได้อันนี้ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขา ความโกรธนี่จะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบได้พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาไปก็ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ข้างบ้านก็อยากจะร้องนําทำเพลงกินเหล้ามาเายาเราอยากจะนั่งสมาธิก็เ <c> ร <oughs> าก็เอาอะไรมาอูดหูเราเสียก็หมดเรื่องอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาเพราะมันยิ่งจะทาให้เราใจร้อนขึ้นมายิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สงบทำให้สงบยาก นี่ก็คือความโกรธความนั่งเลสงสัยความฟุ้งซ่านความม่วงหงาเหานาวนวลความโกรธแล้วขาดอะไรอีกอันหนึง่งการมัฉันท ะ, ะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากในกาแฟ อ, อยากดื่มกาแฟเวละนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้ใช่ไล่ต้องไปหากาแฟมาดื่มก่อน ต้องตัดรูปเสียงกลิ่นลดไปอินทรีสังวรถือศีลแปดไปอยู่ที่ไม่มีกาแฟอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดให้มารบกวนใจก็จะทําให้แก้ปัญหาอันนี้ได้นี่คือนิวรณ์ห้าประการด้วยกันที่เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบเวลาเราภาวนามันจะต้องมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้สังเกตดู ว่าเป็นอันไหนแล้วก็หาวิธีแก้ที่ถูกกับปัญหานั้นมันก็จะผ่านไปได้ข้อที่สคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับและจะพัฒนาคณิกาสมาธิขึ้นไปอย่างไรครับคณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธินี้เป็นเป็นจิตที่รวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ แต่คณิกะนี้สงบเพียงชั่วขณะหนึ่งถึงเรียกว่าคณิกะอันนี้มักจะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติแรกๆใหม่ๆผลแรกๆนี้จิตจะรวมป๊บแล้วก็จะถอนออกมาเพราะว่าเป็นความตื่นเต้นตกใจของผู้ปฏิบัติไม่เคยพบกับความสุขความสงบแบบนี้มาก่อนเพราะเกิดขึ้นก็เกิดความตื่นเต้นตกใจจิตก็ถอนออกมา แต่ถ้าปฏิบัติต่อไปพอรู้ว่าผลจะเป็นอย่างนี้ครั้งต่อไปก็จะมีสติคอยควบคุมปฏิกิริยาของใจให้สักแต่ว่ารู้จิตก็จะสงบนานขึ้นพอสงบนานขึ้นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่สงบเต็มที่คือมีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังมีมีสิ่งต่างๆปรากฏมาให้รับรู้ได้เช่นนิมิตต่างๆ รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตบ้างบางท่านนั้นลึกชาติได้ก็อยู่ในขั้นอุปจารสมาธินี้ท่านที่มีตาทิพย์หูทิพย์ติดต่อกับเทวดากายทิพย์ต่างๆก็อยู่ในระดับอุปจารสมาธินี้สมาธิแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาเพราะไม่ได้เป็นอาหารของใจ ไม่เหมือนกับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี้เป็นเหมือนอาหารของใจผู้ที่อยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีอุเบกขามีความอิ่มใจสุขใจพอออกจากสมาธินี้มาก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆและปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้เพราะใจมีความอิ่มไม่เดือดร้อน แต่ผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้จะไม่มีความอิ่มไม่มีอุเบกขาพอออกมาแล้วใจก็จะปรุงแต่งไปตามความอยากแล้วก็จะไม่มีกำลังต่อสู้กับความอยากได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งที่ใจอยากได้ได้นี่คือความแตกต่างของสมาธิทั้งสามประเภทนี้จงระมัดระวังถ้าเรามีนิสัยที่จะออกไปทางอุปจารสมาธิ เราควรใช้สติดึงใจให้เข้าสู่อบนาสมาธิด้วยการภาวนาต่อไปถ้าเราภาวนาพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปอหรือถ้ามีสติดึงใจให้เข้าสู่ความว่างก็ดึงมันเข้าไปอย่าไปตามรู้กับสิ่งที่ปรากฏมาให้รับรู้ถึงแม้ว่าจะหน้าดูหน้าชมมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆแต่มันไม่ทาให้ใจเรานิ่งใจเราปรุงแต่งตามมัน ความโลภความอยากก็มีก็เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นได้ดังไม่ควรที่จะไปให้ความสําคัญถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาเพื่อมรรคผลผนิพพานเอาไว้เวลาเราเสร็จกิจของเราแล้วเช่นเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราจะมาเล่นกับอุปจารสมาธินี้ก็ได้จะมาดูใจของคนนู้นคนนี้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ก็ได้ จะละเล็กชาติก็ได้จะคุยกับเทวดากายทิพย์ต่างๆก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้เป็นเหมือนกับนักเรียนที่ชอบเล่นเกมต่างๆไม่ชอบทำการบ้านเป็นนักเรียนนี้ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนกลับมาบ้านทำการบ้านดูหนังสือให้เรียบร้อยก่อนแล้วมีเวลาเหลือจะไปเล่นเกมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามัวแต่เล่นเกมไม่ทาการบ้านไม่ดูหนังสือ เดี๋ยวก็เวลาไปเรียนก็สอบไม่ได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติก็แบบเดียวกันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของอุปจารสมาธิถ้าเรายังตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจไม่ได้ให้เร่งทำการบ้าน ก, การการเรียนของเราก่อนจเจริญปัญญาให้เกิดปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ก่อนเห็นอสุภะก่อนเพื่อที่จะตัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจให้ได้ก่อน พอไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี้ที่จะไปจะไปเล่นกับอุปจาระนานกระาดาษไหนก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณอุบาสกพง์ เวลาทำบุญผมจะขอให้พ้นทุก์ตลอดไม่อยากกลับมาเกิดอีกผมจะขออธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดหากยังไม่ถึงซึ่งพานิพานขอให้ผมอย่าได้มีความรักในการมราคาเลยจะได้หรือไม่ครับคำอธิษฐานนี้จะมีผลหรือไม่ขอรับ เพราะมันเป็นเหตุให้ให้ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกกิเลส ต, ตัวใดของผมก็ไม่รุนแรงเท่ากามราคะแต่ผมรักษาศีลห้าไม่ผิดศีลข้อสาครับการอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่ามันเป็นการขอซึ่งการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให้เกิดผลคือการารังับดับกามราคะกามราคะได้ การที่จะดับการมาราคาได้นี้ต้องเจริญอสุภะเท่านั้นต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วก็จะดับการมาราคาได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิษฐานไปรอพบหน้าชาติหน้าสามารถทําได้ภายในสามวันเจ็ดวันนี้กลับไม่ทำกันเพราะขี้เ <pe> er> กียจเพราะกิเลส <pe> er> ไม่ยอมให้ทำกิเลสมันชอบดูแต่ของสวยๆงามๆ ถ้าเป็นหนังสือแฟชั่นหนังโป้นี่ดูกันได้ทั้งวันทั้งคืนพอให้ดูซากศพหน่อยนี่ดูเพียงห้านาทีก็ดูไม่ไหวแล้วนี่คือปัญหาของพวกเราพวกที่ติดการอารมณ์ติดการมร า, าคะกันชอบดูแต่ของสวยของงามไม่ชอบดูของไม่สวยไม่งามเราต้องพลิกใจเราต้องบังคับมันมันบังคับไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันมีกำลังมากกว่าถึงบอกว่าต้องมีสมาธิก่อน ต้องทำใจให้สงบก่อนเป็นการตัดกําลังของกิเลสเพราะเวลาจิตสงบนี้กิเลสเหมือนกับถูกดมยาสลบมันจะไม่มีกําลังออกมาต่อต้านเหมือนกับแพทย์เวลาที่ทําการผ่าตัดนี้ถ้าคนไข้ยังไม่สลบนี้ผ่าไม่ได้เดี๋ยวดิ้นเพราะมันเจ็บแต่ถ้าสลบแล้วนี้จะไม่รับรู้ความเจ็บของร่างกายและนอนนิ่งเฉยๆแพทย์ก็จะสามารถ ผ่าตัดได้อย่างสบายฉันใดการพิจารณาปัญญาก็เป็นเหมือนการผ่าตัดการจะผ่าตัดใจได้ใจต้องนิ่งใจต้องไม่มีกิเกล็ดมาต่อต้านมาสร้างอารมณ์ต่างๆหรือดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนแทนจะให้พิจารณาสุภาษุดูได้สองสามตีอ้าวกายเป็นสุภาไปซะแล้วอย่างนี้เพราะไม่มีสมาธิถึงเคยบอกอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเนี่ย เรื่องของการเจริญปัญญานี้ไม่เป็นปัญญาหรอกเป็นก็เป็นแค่แค่นิดเดียวแค่งูแลบลิ้นเท่านั้นเองพิจารณาได้แป๊บหนึ่งก็หายไปละเน้นต้องพยายามเจริ ญ, ญปัญญาจเจริญสมาธิให้มากก่อนให้จิตมีอปปนาให้ได้ก่อนแล้วเวลาออกมานี่มันจะมีโอเบขาที่จะต้านความอยากทางการอารมณ์ได้แล้วก็จะทาให้เรามองเห็นความจริงของร่างกายได้ พอเห็นความจริงแนละ้วทีนี้มันก็มันก็จะไม่มีการอารมเองเพราะถ้าเราเห็นว่าเรากำลังไปนอนกับโครงกระดูกนี่เราอยากจะไปนอนด้วยนะเราไม่เห็นเราคิดว่า ไ, ไปนอนกับพระเอกนางเอกคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามค่ะ หนูอยากปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อสอนแต่ตอนนี้ยังติดทั้งเรื่องงานและที่บ้านจึงปฏิบัติเท่าที่ทำได้ทั้งที่ใจอยากลาออกจากงานมาปฏิบัติแต่แล้วก็เริ่มมีอุปสรรคอีกอย่างเพิ่มเข้ามาคือเริ่มสนิทกับรุ่นพี่แรกๆไม่คิดอะไร แต่หลังๆเริ่มหวั่นไหวหนูกลัวใจตัวเองกลัวว่าถ้าชอบเขาจะยิ่งมีอุปสรรคขว า, กางการปฏิบัติหนูควรทำอย่างไรดีคะเพราะบางครั้งสติไม่มีกําลังพอจะพิจารณาอสุภะค่ะก็ถ้าไม่มีสติก็ต้องอยู่ห่างๆกันอย่าคบค้าสมาคมกันคือน้ำมันกับไฟนี่อย่าเอาไปไว้ใกล้กันเดี๋ยวมันจะลุกลามกันได้ ควรจะแยกกันอยู่แยะไว้คนละที่ไว้คนละบ้านถ้าจะต้องเจอเขาก็ต้องอย่าไปเจอกันแบบสองต่อสองอย่าอยู่สองต่อ2 ต, ตามลําพังให้อยู่กับมีคนเยอะๆอยู่ร่วมกันถ้าจําเป็นถ้าต้องอยู่ร่วมกันสองต่อ2ก็ต้องปฏิเสธไปเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้มีช่องที่จะทําให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้คําถามที่เหลือขอยกไปพรุ่งนี้คะ่ะ ยังได้เนี่ยเอาอีกหน่อยก็ได้จะได้หมดไปอ เ, เอาเลยด้หมดไปเลย <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณแฟนไม่มีให้ฟรุ้งฟริ้งเป็นเพราะอะไรเราจึงนึกก่อนแล้วคิดต่อแล้วเศร้าใจทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกระบวนการของมันครับไม่ต้องเข้าใจกระบวนการของมันนะขอให้เข้าใจกระบวนการตัดมันดีกว่าสิ่งที่จะมาตัดมันก็คือสตินี่เอง ถ้ามีสติแล้วใจมันก็จะไม่มีสัญญาอารมณ์โผล่ขึ้นมาความนึกก็คือสัญญานึกถึงอดีตที่หวานอย่างนี้นึกถึงขนมที่อร่อยนึกถึงกาแฟที่น่าดื่มพอมันนึกปั๊บมันก็จะเกิดความอยากตามมาทันทีอย่างถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะระ ง, งับระ ง, งับความความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ได้ทาให้ใจว่างเป็นอุเบกขาได้ การเจริญสตินี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามทําอะไรถ้ามีสติแล้วมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้ระ ง, งับระ ง, งับเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้ฉะั้นพยายามฝึกเจริญสติกันไปเรื่อยๆทําให้มากแล้วต่อไปเราจะควบคุมใจเราได้คําถามต่อไปจากคุณวาสนาข้อแรกเมื่อเรามีการทําทานแล้ว ก่อนจะไปรักษาศีลเราควรปฏิบัติข้อวัดให้ดีที่สุดก่อนใช่ไหมคะข้อวัดหมายถึงอะไรหมายถึงหมายถึงการไหว้พระสวดมนต์การาทำอะไรเหล่านี้มันก็ต้องทำควบคู่กันไปทำบุญทำทานแล้วมีข้อวัดปฏิบัติอะไรแล้วที่เราควรจะทำล้วก็ทำก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปอยู่ด้วย ถ้าไปอยู่วัดเขาก็จะมีข้อวัดต่างๆแล้วก็ต้องไม่บกพร่องในข้อวัดเหล่านั้นพอเราเสร็จจากข้อวัดเหล่านั้นแล้วเรามาอยู่ที่พักของเราเราก็ต้องทําข้อวัดของเราต่อก็คือการจเจริญสติเนี่ยข้อที่สอง การไม่กราบรูปปั้นพระพุทธรูปบาปไหมคะถ้าเราคิดว่าไม่มีรูปอันใดเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้หรือไม่สามารถแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้คะ่ะคือการกราบพระพุทธรูปนี้ความจริงเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติเท่านั้นเองคือเราไม่ได้กราบเพื่อขออะไรจากการกราบนั้น นอกจากเราให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพราะถ้าเราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมันก็จะทำกระตุ้นให้เราเกิดการศึกษาเกิดการปฏิบัติตามมาเท่านั้นเองไม่ให้เราประมาทนอนใจให้เราเห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเรามีพระพุทธรูปไว้เตือนใจเหล่านี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายแต่เราต้องเข้าใจว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่วิเศษที่จะสามารถโดนบันดาลให้เราได้สิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรซึ่งมักจะเป็นอย่างนั้นกันคิดมีความเดือดร้อนมีความต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ไปกราบพระจุดทูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าทาแบบนี้เป็นการเข้าใจผิด จุประสงค์ของการมีพระพุทธรูปของการมีพระพุทธรูปเพื่อให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าความวิเศษความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เลึกถึงคําสอนที่ประเสริฐที่เป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนําพาชีวิตเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ให้เราลึกถึงพระอริยสงสาวกผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ไปถึงจุดเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึง ถ้าเราเล่เลิกอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเราก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุ ถ, ถึงนั่นเองนี่คือเป้าหมายของการก่าวพระขอ้อที่สามพระวินัยเป็นของพระที่ต้องรักษา หากเรารู้ว่าถวายแล้วผิดเราไม่ถวายหากผู้ไม่รู้ถวายพระรับต้องอาบาัตและโยมต้องไปนรกไหมคะไม่หรอกของที่เราถวายอยู่ที่ผู้รับว่าจะเอาไปใช้อย่างไรของที่ไม่มีโทษถ้าเอาไปใช้เป็นโทษมันก็ยังก็เกิดโทษได้เช่นเอาอาหารมาเขาถวายอาหารมาแล้วก็เอาไปขายีมันก็เกิดโทษได้ แทนที่จะเอาไปรับประทานหรือแล้วก็ไปแจกจ่ายทาบุญทาทานก็เอาไปให้ลูกเมียหรือพี่น้องไปเปิดร้านขายอาหารขายข้าวขายของเพื่อหาอไรายได้อันนี้มันก็ไม่ถูกเะฉนั้นมันอยู่ที่ผู้รับว่าเขาจะเอาไปทำอย่างไรผู้ให้นี้ไม่มีความเสียหายถ้าสิ่งที่ให้นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้รับ เช่นถ้าไปให้สุรายาเมาให้ยาพิษยาฝิ่นยาบ้ายอย่างนี้อย่างนี้ผู้ให้ก็มีโทษด้วยเพราะส่งเสริมให้ผู้รับนี้เกิดความเสียหายได้แต่ถ้าให้สิ่งที่เป็นเรียกว่าสัมมณะบริโภคเช่นปัจจัยสี่อาหารบินทบาทจีวรเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคกุติที่อยู่อาศัยให้แบบนี้ไม่เกิดโทษส่วนผู้รับนั้นเขาจะไปทาอย่างไรกับสิ่งที่เขารับนั้นก็เรื่องของผู้รับไป ข้อที่สี่หากเราทําทานพยายามรักษาศีลเริ่มนั่งสมาธิแล้วศีลอยังไม่บริสุทธิ์จะทําให้เรามีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้หรือไม่คะการเป็นบ้าไม่เป็นบ้านี้อยู่ที่สติเป็นหลักนะถ้าไม่มีสติก็เป็นบ้าได้ไม่ว่าจะมีศีลหรือไม่มีศีลอยอย่างที่เราเรียกว่าคนเสียสติคนเสียสติก็คือคนไม่มีสติ ยับยั้งความคิดปุงแต่งของตนหรือหลงไหลไปตามความคิดปรุงแต่งที่ไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทำํำก็เลยทําให้กลายเป็นคนบ้าไปได้แต่ถ้ามีสติแล้วก็มีการใช้ปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วก็จะไม่มีวันที่จะเป็นบ้าได้ถ้าไม่สามารถแยกแยะได้ก็จําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ การที่เราปฏิบัติธรรมนี้เราต้องมีครูมีอาจารย์เพราะว่าทางที่เราจะไปนี้เป็นทางที่เราไม่เคยไปเรายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรอย่างเรื่องของสมาธิที่เมื่อกี้เราได้เล่าให้ฟังถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราอาจจะไปเจออุปจารสมาธิแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเป็นทางที่ถูกต้องเราก็จะมุ่งไปทางนั้น ไปกับทางการเจริญอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ต่างๆเราก็จะถูกกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้อันนี้ต้องมีครูมีอาจารย์ถึงจะไม่เป็นบ้าได้และบางทีมีครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องเชื่อด้วยถ้าไม่เชื่อก็เป็นบ้าได้อย่างพระเทวทัตนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์แต่พอวันดีคืนดีกับไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อความคิดของตนเอง คิดว่าตอนเองวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้ก็เลยทําให้เป็นบ้าได้คือทําสิ่งที่เสียหายที่ร้ายแรงที่เป็นโทษร้ายแรงได้อย่างนั้นต้องมีสติมีปัญญามีครูมีอาจารย์แล้มีศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ขององคุลิมานก็ ทให้้้เเป็นบานไดหมือนนกันหมดคำถามจากทางบ้านค่ ะ, ะ ท, าทางทางที่ที่นี่มีใครอยากจะถามปัญหาต่อไหมอ ะ, อะไรไม่มีก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะพอดีมีเสียงรถขึ้นมาแล้ว <c oughs> ขอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิสพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ